มีเพื่อนบอกเราก็ยังได้บอกตัวเองเราได้สาธยายพะสูตรเราเหมือนกันเราบอกตัวเองยิ่งเวลาเราเข้าสู่ภาคปฏิบัติก็ยิ่งสนุกดีเห็นกายที่มันเคลื่อนมันไหว มันมีนามมีใจคือมันรู้จึกการเคลื่อนไหวอยากยกปืนมันก็ยกอยากวางลงก็ลงอยากลุกก็ลุกอยากนั่งก็นั่งอยากนอนก็นอนบางทีไม่ได้อยากนอนไม่อยากต้องบางทีมันเกิดขึ้นมาเองเกรงขี้เกียจขี้คลานเกรง ลองเลยสงสัยมันเกิดขึ้นเองมีอยู่อีกจ่ากนั้นก็มีง่องงัวนอนก็มี <c oughs> หลายเรื่องที่มันเกิดกับกายกับใจของเราเนี่ยเราก็สะดวกเห็นถ้ามีสติได้พบได้เห็น <c oughs> ได้สอนในเวลาที่มันผิด ได้กระทําในเลาที่มันถูกผิดถูกมันบอกหลอกเห็นอยู่บ่อยๆเรื่องเก่าๆความงงเหงาหงุดหงิเรื่องเก่าๆ ค, ความละเลยสงสัยคิดฟุ่งซ่านก็เก่าๆตอถึงให่บท ราคาที่เตรียมมะเรื่องเก่าๆโผล่ขึ้นมาดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเห็นไปเห็นมามันก็ลู่แค่เรื่องนั่นนั่นเข้าไปมันคือเรื่องเก่าๆเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามตามความเป็นจริง ได้เห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามแันก็บอกมันคืออะไรมันมีอะไรมันเป็นอะไรรูปนามเนี่ยมันไม่มีความไม่เที่ยงมันไม่มีความเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนมันบอกได้เห็นได้พบเห็นไม่ใช่คิดเห็นเวลามาเกิดความไม่เที่ยง เราได้พบเห็นเข้าเรามันเกิดความทุกข์เราได้พบเห็นเข้าเรามันเกิดความไม่ใช่ตัวตนน้าปรามมาอยู่เราก็พบเห็นเข้าต่อหน้า ต, ต่อตาเราเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเราเห็นที่มันเกิดการพกเห็นอย่างนี้ก็ย่อมตอบได้เอง ในขาที่เราปฏิบัติเมื่อกันเราเรียนหนังสือได้อ่านไปพบปัญหาได้พบปัญญ า, ว, ารรวิธีแค่โดยการกระทาวิธีแก่โดยการคิด เช่นคณิตศาทตร์วิธีแก้ด้วยการกระทำวิธีไม่แก้ไม่ได้มีแต่รู้เฉยๆวิธีบรรเทาแก่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกบางอย่างรู้เฉยๆบางอย่างบัรเทา บางอย่างละเป็นระเบียบเรียบร้อยของลูกของน้มตามาความเป็นจริงเน้นวัตถุอาการที่มันก่อเกิดขึ้นกับลูกกับนม้มมากมายหลายอย่างแล้วก็สนุกดู เห็นล <c oughs> ูกเห็นนามมีการกระทขาขณะที่เราปฏิบัติอยู่มันมีการกระทำมะลายลูกมันทำมะลายนามมันทำมะลายเราจะต้องเห็นมันเวลาลูกมันทำนามมันทา การทำเคอมันได้สัมผัสรูปธรรมมือที่เรายกมือปนมืองันรูปมันทำอะไรมือเรารูปที่มันกำ ม, มืองันทำอะไรน้ำที่มันดูตามความเป็นจริงงันทำอะไรน้ำที่มันหลงไปตามความเพรมันทำอะไร แล้วก็เห็นต่อหน้าต่อตาเรแล้วก็ทำกับชิงเราหนั่นมันได้เียนมันมันทำชั่วเห็นมันทำชั่วมันทำถูกเห็นมันทำถูกได้ศอนตรงนั่นได้สอนตัวเองตรงนั้นเอ้าเราเดินอยู่นี่เอ้านามมัน ไปไหนไปบ้านไปชิดไปโลดไปนี่ห้าปีสิบปีมันไม่ใช่เราก็ได้เห็นกันกลับมามันแสดงออกมาอะไรอีกหายหยากเกิดกับลูกกำนาม้มเราได้เห็นเราได้บอกเราได้สอนเกี่ยวข้องกับาการกระทำของลูกขงหนามอย่างถูกต้อง ก็มันสอนหลอกผิดมันสอนหลอกให้ทำถูกถูกมันสอนหลอกให้ได้ทำต่อไปชั่วไม่ต่อถ้าก็มันเราเห็นแล้วดีทำไปใจไม่ยึดเพราะเห็นแล้วง่ายๆแต่ก่อนถ้าเป็นมันไม่ง่ายาสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ ติดติดโกติด่องแล้นี่เห็นนี่มันคือนี่นี่คือนี่เราก็ได้ได้ประสบการณ์ได้บทเรียนตรงนั้นด้วยที่เป็นเป็นทิศเป็นจริงอย่างไ ร, ม, ร, ร, ร ม, มันรร ม, มีรูปทองมีนองทองมีรู ป, รปที่เป็นสมมุติมีรู ป, รปที่เป็นบัญญัติญญตนามบัญญัติ นามสมมุติหลายอย่างดังทีสมมุติขึ้นมาเป็นสุขสมมุติขึ้นมาเป็นทุกข์แต่ท่าี่ไม่มีตัวไม่ตนเราก็เห็นตามความเป็นจริงการเห็นของจร่งของพระริเจ้าจะมาเกิดขึ้นกับลูกความดำเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ สะดวกไปเรื่อยๆความหลงทั้งมดเรสะดวกเพื่อจะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ก่อนเราไม่เห็นความหลงทั้งมดเรติดขัดสะดุดวันที่เกิดกับรูปคว า, ามนามเน่ยสะดวกตรงที่มันผิดไม่เหมือนธรรมอื่น ชนานในตรงที่มันถูกเมื่อมีมความชนานาญในความถูกมันก็สะดวกในความผิ ด, ผดเพื่อให้เกิดเพื่อเอาไปทำความผิ ด, ผดเมื่อชนานาญชนานาญในความถูกต้องมันก็เพื่ อ, อ, อไปทำความผิดให้มันถูกต้องมันก็เลยสะดวกเช่นทุกแ้วก่อนมันติ ด, ดเพราะมาเห็นมีความชนานาญในการ ทำถูกมันก เ, เปลี่ยนความทุกข์ได้ง่ายได้เป็นเรื่องกระตือหรือร้นเป็นเรื่องที่ขยันตรงนี้เป็นเรื่องที่ภาวนาตรงนี้เป็นเรื่องที่ <c oughs> ทําความเพียนตรงนี้นั <c oughs> ้นเกิดความเพียนขึ้นมาตรงนั้นมันเกิดความขยันตรงนั้น ฉันทังประเภติวิยังพระมาทิจิตัตงเปรกนตัติประนตัติมันจึงกลายเป็นความเพียรไปกลายเป็นภาวนาไปภาวนาคือขยันตรงที่มันเสื่อมมันเสียหาย เหมือนเราเห็นอะไรที่มันเสียหายก็ขยันทําให้มันดีหมายช่างซ่อมสิ่งที่มันเสียหายถ้าเขาเห็นจุดที่มันเสียหาย ข, าขายันก็ตื่นเรื่องลุนเห็นจุดมันเสียหายเขาไม่ <c oughs> ล้วแสดงทั้งทางแบบความพอใจ เพราะเขาจะทำให้สําเร็จการปฏิบัติธรรมนี่ก็เช่นกันเห็นทุกเนี่ยเห็นความหลงเห็นอกุศลเนี่ ย, ยเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก ไม่ใช่กุศลอกุศลเกิดขึ้นไม่ใช่กุศลเกิดขึ้นแล้วรูปรูกคำๆไม่ใช่เลยดึพเห็นอกุศลเกิดขึ้นล่ะเพื่อไม่ให้ไปเกิดขึ้นอีกมันเป็นทางไปแบบนั้นปฏิบัติธรรมมันไม่มีการรอผิดก็ถูกทันทีทุกก็ไปทุกทันทีไม่เหมือนเราทำไรทำานา ทำานดันอื่นต้องเสี่ยงต้องเสี่ยงเช่นปีนี้นะ้าท่วมข้าวไม่ได้ข้าวสักต้นก็เสี่ยงทำแล้วเสียหาย แต่ว่าการปฏิบัติธรรมเน่ยมันไม่ได้เสียงเลยนะเมื่อผิดก็ทำถูกทันทีเมื่อทุกก็ไม่ทุกทันทีเราเราใช้เหมือนผิดไม่ผิดทันทีงา น, นเกิดความพร้อมเมื่อสันทาปุยากิตตะบิมังสาทำไม่สำเร็จทำเนี่ย ชนธรรมวยาปัติวิยาพยามามติกิตังประกาศติทำให้สำเร็จทำมันทำมันให้ความเกิดความสาเร็จทำเลย จ, จริงจริงยิ่งความโกรธความโลภความหลงยิ่งเป็นอกุศลง่ายดายที่สุดจะเป็นความดี เป็นความเป็นความชำนาญความดีชำนาญความถูกต้องชำนาญความผิดเกิดความสะดวกให้เกิดความดี <c oughs> <c oughs> ไม่เหมือนผิดอันอื่นอีเ ด, ดิ น, ดนต้องวางแผนมีไม่ไมทิศทางไป มีเครื่องมือเช่นสร้างบ้านผิดไม่ได้แบบบางทีก็รื้อทิ้งตึกยี่สิบสามสิบชั้นงันล่าแล้วก็รื้อทิ้ง แต่ว่าการปฏิบัติทําะไรไม่คำนั้นลืล้อคำว่าทิศไป ม, มีได้ประโยชน์เห็นทุกข์ได้ประโยชน์เห็นอกุศลได้ประโยชน์มันจะเป็นกุศลเพราะอากุศลมันจะมีมันจะมีปัญญาเพราะมีปัญหา อย่างเช่นสังขารคือปัญหาวิสังขารคือไม่มีปัญหานี่มันก็ <c oughs> <c oughs> พอใจพอใจปฏิวัติธรรมนี่นึกวก็งานชอบที่สุดเลยทำไมจะไม่ชอบราวะที่รู้สึกตัว ก็มีความรู้ตัวไปเห็นความไม่รู้สึกตัวเห็นความหลงมันก็ตรงกันพอดีเวลาเรามีสติมันก็เห็นความหลงบอเห็นความหลงก็มีสติทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องให้มันถูกต้องเป็นงานชอกยิ่งเห็นเราก็ฉสนทุกหลายท้องหลาย ที่เป็นลากเง่าของกุศลยย่งขยันไม่ได้ปล่อยทิ้งนี้เท่าไรกพยามติดตามให้หมดจนไปถึงหลอยากจะพูดเลยว่า มันหาไม่มีจริงๆครับว่าทุกเน่ยมันไม่มีไออุ่นไม่มีอะไรไม่แต่น้อยนิดเลยทีเดียวนาะเขาว่าคนป่วยเป็นทุกมันอยู่ตรงไหนทุกเนยมีคนว่าความเก็บเป็นทุก์มันเจ็บมันทุกตรงไหน อะไรที่คนว่ามันเป็นทุกข์หรือมันทุกข์ตรงไหนมันไม่มีทุกข์จริงๆนะมันก็เลยจะให้บ้าไม่สำเร็จได้ยังไงงานมันเสร็จงานมันเสร็จให้เหมือนงานลุ่งลุกปลูกมันปลูกก้อยอาชีพ ได้มันได้อ้อยมาได้เงินได้ทองผูกข้าวได้เข้าได้ข้ามากินมันก็อยากมีความทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเหมนพระพุทธเจ้าไปปูดพรมวิชชาทิฏฐิแต่พระพุทธเจ้านั่นทำงานทำนาเนี่ย ศรัทธาความเชื่อถ้าทำดีก็ดีทำชั่วก็ชัว่วเปลี่ยนความชั่วเป็นความดีก็ทำได้ศรัทธาเชื่อวันได้มีความเพียรไม่ทอถอยอันชัว่วหลงทั่วาโกชัว่วทุกเพื่อมันให้มันทำเกิดความดี เอาใจใส่จิตตะเอาใจใส่มีสติมันเข้าปลูกมีปัญญาใครน้าเข้าปิดน้าไว้ใครน้มออกเราได้ผลคือไม่เกิดไม่เก็บไม่เก็ไม่ตาย แต่พามทำนาไม่เข้ากินข้าวก็ยังแก่ยังเก็บยังตายมันหมายความว่าทําแบบเนี้มันเฉดเฉ ด, ดตรงไหนล่ะเฉดตรงที่รุดเรามีความทุกข์เป็นเมืองหน้าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเก็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ งันเกิดการบ้านของพระศิริธถะเห็นเห็นอย่างนี้ทําให้เกิดการศึกษาอย่างนี้ขึ้นมาบามาศึกษาก็ทํากรรมฐานเนี่ยก็ตรงไปทางนั้นแหละเห็นกายเห็นเวทนาเห็นคิดเห็นทำเห็นอะไรก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ใช่ตัวตนไม่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราโ อะไรมันปวดไปแล้วมันปวดไปแล้วอะไรที่มันเห็นมันเห็นมันเห็นแล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมาเห็นรูปเห็นนามก็ได้หลักฐานเห็นวัตถุอาการเห็นปรมัตได้หลักฐานมัดเข้าไปเมือนพิพากษาตุลาการ จับจมลอยพ้องจมลอยจมเลยก็ความหลงเราเคยเป็นจมเลยของความหลงเป็นจมเลยของความทุกข์เป็นจมเลยของความโกรธปัญหาต่างๆเราเป็นจมเหลือเราเป็นตกไปจมเหลือแล้วความโกรธเราก็โกรธความทุกข์เราก็ทุกข์ ก็มาเห็นตรรมะสัจจะมนกับพ่องนะเหมือนกับพ่องให้เกิดความเป็นธรรมกับชีวิตได้ปัญญาความโลภลูกในกองสองขานจนได้ อิจฉาภาพขึ้นมาเราื่อปรมาจักรความจริงออกมามเป็นความจริงความหลงมันไม่จริงความไม่หลงมันจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงอะไรก็ตามชื่อว่าทุกข์แต่ไม่จริงทั้งนั้นความเก็บจะเป็นทุกข์อย่างไรมันไม่จริงอันควม าะว่าที่เห็นไม่เป็นมันจริงขวั่ลค่องแก่ความเก็บความตายมันก็ไม่จริงมันไม่มันจริงแบบนั้นมันจริงแบบไม่เที่ยงใช่มันจริงแบบเที่ยงได้อย่างไรมันจริงแบบเป็นทุกข์แก่มาเป็นสุขได้อย่างไรมันคนเรื่องกับกับการกระทำของเรา เราทำนาในเรื่องนี้มากดูเจ้าจึงได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าเขาันรล้เรื่องนี้ผูจู้ตามแล้วว่าพระสงฆ์สาวกทำตามที่พทธเจ้าสอนไม่ต้องไปสุ่มหานั้นพระพุทธเจ้า สมัยเป็นศิท ธ, ธัตถะสมหายต้องหกปีก็จะมานั่งหรือใต้ต้นโพยยุกมือเคลื่อนไหวทำมามากกว่านี้แล้วเกือกทตายไปแล้วกู้แขนเข้าเกยฉันโดก่อจะมาถึงจุดนี้ต้งหกปีแบบนี้พวกเราก็รัด เรานี้เลยเนะ่จะไม่สะดวกยังไงมันต้องไปใช้สมองไม่ใช่ต้องไปใช้หัวคิดเหตุผลอนไรให้มีโอกาสอย่างนี้โดยตรงก็เราก็พยายามหาโอกาสให้ทุกคนเราก็เป็นเพื่อนกับทุกคนได้มาทำแบบนี้เนะี่ย มันจะยากอะไรถ้ายกมือรู้สึกตัวนั่นแหละแต่รู้สึกตัวได้ก็นั่นแหละทางแต่ก่อนมันรีบหลีพอรูปไปรูปไปก็จะมากขึ้นเป็นทางมากขึ้นนี่คือกันเพื่อให้เพื่อให้รัดเข้ามาตรงนี้เลยไม่ต้องไปทําอะไรแม้บางทีผู้มาปฏิบัติก็ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไร เหมือนกับที่อื่นๆที่อื่นบางทีต้องต้องเรียนบุพกิจบุพกรกของวิปัสสนากรรมาฐานสมถะเบื้องต้นอ่านท่องจำมาบางทีก็ต้องมีสรรมฐานจุดทูกจุดเทียนอธิษฐานปรเมตตา เราพูิเจ้ที่อยู่ที่ไหน mm hmm. โอก้กรรมฐ า, านจากอาจารย์ mm hmm. โอก้กรรมฐ า, านจากพุ mm hmm. กาทาิเจา้าอ mm hmm. ิมหังพระกวา่า mm hmm. อาตาพวัง mm hmm. อมากังบริีชาชามิ mm hmm. ใช่ไหมไม่ข mm hmm. ี้ะ <c oughs> <c oughs> อิมังหังภะขวางก็แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าภะขวังคือพระผู้มีพระภาคเจ้าอัตถภาวังอามหาังปฏิสัตยามิ้าวเจ้าปฏิบัติขอปฏิบัติวิปัจจากรรมฐานแขอกับวาจาอิมังหังอาจารยยังอัตถภาวังอามหังปฏิสัตยามิต้องว่ากัน จะทํากรรมฐานที่ใดต้องว่ากัน ถ, ถ, ถ, ถึงมผื่มทั้งวัดเละดางที่กําหนดชั่วโมงหนึ่งนั่งอยู่ด้วยกันงาหลับงานอนก็มีดางครั้ก็ทรมานงอนอะไรก็ถึงชั่วโมงกี่อย่างบวชถึงชั่วโมงก็ตีลึกกระดิง่งติ้งเออออกจากกรรมฐานได้ละโมโลกัก <laughs> มันไม่ใช่กรรมฐานมันไม่ใช่ออกไม่ใช่เขา่ามันเป็นการกระทาทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ตามคํหลังสอนของพูดเจ้าตามสติกำลังไม่ใช่ออกเป็นชั่วโมงเวลาสองทุ่มเวลาสองทุ่มขึ้นไปห้องกรรมฐาน เดนถึงเวลาสามท่ชั่วโมงหนึ่งไปดูสํานักต่างๆะนะกาหนดชั่วโมงหนึ่งเรานได้ชั่วโมงหนึ่งในขณะที่อยู่ชั่วโมงหนึ่งนั้นอาจารย์ก็บอกว่าใครเกิดอะไรขึ้นก็พูดนะพูดออกไปเลยลเราไปอยู่ชั่วโมงหนึ่ง ก็มีเสียงพูดสามสี่ห้าคนพูดออกมาแต่อาจารย์ก็ไม่ไม่ตอบขนาดนั้นอ่อชั่วโมงหนึ่งก็เปิดไฟตีกันติงต้งติ้งอาจารย์ก็พูดเรื่องที่นักปฏิบัติ พูดมานะันปัญหาที่หนึ่งจากคู่ปฏิบัติพูดว่าเจ้าไปเจ้าไปแม้บางทีนั่งอยู่ในสลาผลตกทกคนไม่หัดพึมว่า ขณะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าใครมีไอความรู้สึกอะไรเป็นอะไรก็พูดออกมาได้เลยนีพระรูปหนึ่งพูดขึ้นว่าตอนต้นตอนตอน้ตนไม้หักลงมานั้นทับคมเห็นตัวเขียวเีย ว, ยวนั่งอยู่ต้นไม้จริงไม้จริงไม้เลยหักพูดถึงเจ้าไป อาจารย์พอจบชัององ่วโมงอาจารย์ก็เฉลยว่าตัวเขียวๆนั่นแหละคือพระอินทร์เ <laughs> ท้งตัวแดงเป็นเทวดาแสดงว่าพระอินทร์มาเฉลิมฉลนพวกเราถูกไหมพูอย่างแน่นอ้ยอาจารย์วิปัสสนาเราก็หงด โออาจารย์วิปัสสนาอาจารย์ใหญ่อย่างผู้เช่นนี้เนอลูกศิษย์ก็เห็นโอ้เห็นพระเอ็นเทวเห็นเี็นตัวเขียวคนทั้งหลายที่ไม่รู้เรื่องวิปัสสนาโอ้ดีเนอะคนเห็นพระเอ็นน่ะดีนะตัวเขียวตัวใหญ่ไหมโอ้ใหญ่กว่าคนเนี้ยตัวเขียวอ๋อ เราก็เลยอนี่เราวัดพระกรรมฐานในเมืองไท ย, ยแต่เมื่อปี512พระกรรมฐานประเทศไปรวมกันเป็นพนะันๆเราก็เป็นตัวแท น, จ, นจังหวัดเลยเจจังหวัดเลยให้ไปเป็นตัวแทนของจังหวัดเลยไปร่วมอืม นั่นไม่ใช่มันเป็นนิมิตเอาอันนั่นเป็นไปอินได้ยงไงนิมิตเกิดขึ้นแล้วแทมจะเกิดแบบไหนอินจริงๆมันความเป็นใหญ่คือคุณธรรมไม่ใช่เป็นตัวเขียวๆเทวดาคือคุณธรรมเทวธรรมหิริอุตตระสัมปันนังสุขสะตัมมาิโตสันโตเทวธรรมาติมุติเล เฮลิโอต ป, ปะถ้ามีกับใครถือว่าเทวธรรมในโลกคุณเจา้าสนอย่างนี้เนะต่อให้เต่าความชั่วจจงกลัวตัวบาไม่กล้าพูดไม่กล้าคิดนั่คือว่าความชั่ว น, นั่นแหละเทวธรรมรักษาโลกโลกกระ บ, บาดคุ้มครองโลกถ้าอยู่ในคนคนหน่อยคุ้มครองโลกไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเฮลิโอต ป, ปะ แล้วก็ผู้ชั่วคิดทั่วชอชั่วนี่คือเทวดาไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนยังแดงเป็นเทวดาบางทก็อธิบายไปนันไม่ใช่วิปัชนากรรมฐานผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผ้นเห็นพระพธดดรรม ผู้ได้เห็นธรรมพุทเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่คือเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าผู้ลู่ตามคาสอนพระเจ้าชื่อว่าพระสงค์ประสงค์เกิดจากพระสัจธรรมมีการปฏิบัติดีมีการเจริญสติเกิดจากพระสัจธรรมคือสงฆ์พุทธะตั้งใจสงฆ์สมมุติเกิดจากบุต หลวงพ่อบวชให้จึงเป็นสงฆ์อยู่นี้ก็มีหลายรูปเล ย, เย <laughs> อันสงฆ์สมมุติเนี่ยไม่ใช่สงฆ์พรตาตนไตสงฆ์พรตาตนไตเป็นได้ทุกคนถ้าปฏิบัติเกิดจากพระชรธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติอกจากทุกปฏิบัติสมควรนับเหลี้ยงตัวบุรุษได้แปดบุรุษนับคู่ได้สี่คู่ โสดาปิมรักโสดาปิผลโสดาปิมรักโสดาโสดาบันเอาแล้วสังโยชน์ได้สจักยายทิติวิกิชฌาศีรัพตาปาลามาตจะละไม่ได้เลยเนะี่ยจักรยทิติอันกายจัก่ากายไม่ใช่จัตู้คนตัวตนโลเขาไม่โอากาสเป็นตัวเป็นตนเป็นรูป ไปศิลป์ธรรมกรรมฐานเนี่ยมันตรงไปอย่างนี้นะมิจิจิฉาไม่สงสยัยในการกระทาทําดีดีทําชั่วชั่วมีสติงามได้จุดได้มันหลงลู้มันทุกลู้ไม่สงสัยตัวเองทำไมทําไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนี้ แล้วม่เป็นจริงหลงไม่อยากหลงมันก็ไม่อยากให้หลงมันก็หลงไม่มีแบบนั้นพรหลงเปลี่ยนทันทีไม่เน้นชาไม่สงสัยตรงกันหลงไม่หลงทุกไม่ทุกโกรธป็นโกรธไม่หลงไม่สงเหลงในสงสัยไม่ใช่อ้อนวอนสาธุเดิหญ่างพวกข่าไม่เข้มโกรธเข้มหลงเดิ๋ไม่ใช่อ้อนวอนแบบนั้น เหมือนท่อพระเจ้าบ่กช่วยคนนั่นช่วยคนนี้วันที่มาทต้องช่วยตัวเองหลงก็ช่วยตัวเองไม่หลงเนี่ยหนทุกข์ก็ช่วยตัวเองไม่ให้ทุกข์เนี่ยทำได้ทําได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ความหลงไม่หลงให้ผลแล้วหลงเป็นเห็นหลงเป็น เหตุเปลี่ยนหลงไม่หลงเป็นผลมรึกคือเห็นผลคือไม่เป็ี่ยนเดียวกันไหมมรึกคือเห็นผลไม่เป็นเจนทุกไม่เป็นทุกพ้นจากทุกนะผลมันมีมรึกมีผลอยู่กับกรรมมือของเราเนี่ย นีลเรายกมือเคลื่อนไหวรู้รู้ทำอะไรก็รู้เนี่ยเป็นมรรคเป็นผลอยู่แล้วอ๋อเวลามันโกรดรู้ขึ้นมาอ๋เป็นมรรคเป็นผลอยู่แล้วมันเป็นอย่างนี้ปฏิบัติทำไปไ ป, ไปอ้อนวอนที่ตรงไหนต้องทำเอาเองนี่มันตรงขนาดนี้นะปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควร ยมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่คนรู้คนเห็นตามทุกค น, นคเจผู้ปฏิบัติสมควรเจรผู้ปฏิบัติไม่ใช่การเวลานาเข้าก็ท่าวันเฉ็ดวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีไม่รู้อะไรไม่ใช่เกี่ยวอย่างนั้นยุคการกระทําของเราเนี่ยความการกระทำของเราคืออะไรความไม่ประมาท นั่ประมาทเท่าไหร่กไม่หลงคนไม่ประหมาเหมือนม้ามีผีเท่าดีคนประมาะทเหมือนม้ามีผีเท่าไม่ดีห่างไกลกันเตินทางชั่วโมงเท่ากันแต่ว่าห่างไกลกันเอา้เอาเราจเจอโจ้ยบรรุเราไปอยู่ในหมู่เพื่อนหลงเราไม่หลงเหมือนเขาไปบินทบาต มันนี่จะไปกับ่านออกไปหน้าวัดไปกับคนที่หลงพระที่หลงไปก็ชวนพูดชวนพูเราก็ไม่หลงเอเพื่อนเราหลงต้มไม่หลงตั้งใจเพื่อนชวนให้หลงหลายครั้งกว่าจะเข้ากลับมาสู่วัดเราไม่หลงเพื่อนไปทาไปทำพูดให้เราหลงเราไม่หลง โดยในเราดูน้่นนีเราไม่หลงตอนที่เห็นเพื่อนหลงเราไม่หล ง, ลงเก่งตรงนั้นด้วยไม่ใช่ตกหมโมแรงเป็นแรงตม้มโมกาเป็นกาหนะปฏิบัติธรรมคือส่วนตัวส่วนตัวทํววาได้ทุกโอกาสไม่ใช่เป็นเพื่อนพวกมิดนะไม่ใช่อย่างนเหมือ น, อนขา ย, ยามาายามาเรนั้นปฏิบัติธรรมเป็นส่วนตัวอัตติเหตุอตัอตตนูนนะถ ตนมันแหละเป็นที่พึ่งของตนเด็ดขาดมีสิทธิน้อยเปอร์เสรีให้ใช้สิทธิเรื่องนี้ให้ได้อยู่ที่นี่นะเราพยายามอย่าเบียดเบียนกันอย่าทะเลาะวิปากกันอย่าทำอะไรที่ทำให้ไม่สะดวกแม้แต่ไอจะจ้ามจะอะไรก็ตามเรามัดระวังเวลาใดที่เพื่อนเรากำลงัง มีชตัตเตอยู่ตื่นขึ้นมานอนด้วยกันพยายามจับหิ้งจับของจับไปนอนอยู่หอใหญ่อยู่ในห้องห้องนอนเขาเช่าโรงแรมให้แล้วก็ตื่นก่อนโมก็ธรรมนาก็ต้องดื่นน้ำถ้าจะเปิดไปก็กลัวจะลบเพื่อนขวนเพื่อนก็มือไปคำหาคาหาขวดค่อยคบไป ขอขนาดไหนมัจะไปไปชนกับขวดกับแก้วต้องไอ้มากไว้ยขอโทษนะเสียใจเพื่อนนอนโกงกูนอนดยูยุกยักขึ้นมาแล้วก็ขอโทษฮามัละวางบางทีก็ยังไม่นะะมีสติเต็มที่แต่แ้่มันผิดก็ขอโทษะไม่ได้ไม่ได้ไม่หลงไม่ได้ไหลงนะไม่ได้หล ง, นะลงแต่พยายามมันก็ยัง ท้าไมเพื่อนหลงไปได้นอนดีๆตื่นขึ้นมาได้นี่ก็คือจนป น, นั้นแหละพวกเราอยู่ด้วยกันให้ช่วยกันเป็นเพื่อนกันทีนะ่จะมิตรตาไปถึงมรรคผลนี้ผ่านได้น ะ, อะตอนนี้ก็สมควรและกับพระพร้อมกัน